ได้พูดถึงพระนันทิยะนะว่าท่านได้สนทนากับพระองคุลิมานอย่างไรบ้างนะเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดไปเมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรียกว่าตอนต้นอีกส่วนหนึ่งก็น่าสนใจนะพระนันทิยะก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนท่านว่า เมื่อผู้ใดยกย่องหรือบูชาเราด้วยลาบสักการ ะ, ะพึงนึกว่าลาบสักการะหรือชื่อเสียงนั้นเป็นผลแห่งความดีหรือเป็นเพราะผู้อื่นสําคัญว่าเราดีแต่ทศคัณก็อธิบายต่อไปว่าก็ลาบสักการะหรือคนแห่งความดีนั่นเนี่ย ยอมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทมัวเมาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องการปล่อยวางถ้าพูดเรื่องการปล่อยวางสิ่งซึ่งทำให้เป็นทุกข์ซึ่งโดยเช่นเรื่องคำดา่าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าแม้กระทั่งสิ่งดีหรือผลแห่งความดีนี่ก็ต้องก็ต้องวางนะเริ่มต้นตั้งแต่เวลามีคนสรรเสริญเรานะหรือคนศักการะรวมทั้งชื่อเสียงที่ได้รับเนี่ยก็ต้องมองให้ดีมองให้เป็นนะว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะมันเป็นผลแห่งความดีที่ได้ทำ ท่านจำว่าเนี่ยพึงจงนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีหรือเพราะคนอื่นสําคัญว่าเราดีคนอื่นสําคัญว่าเราดีก็หมยายความว่าอย่าไปยึดมั่นถือว่าเออรับว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะคนที่เขาคิดอย่างนั้นไปเองถ้าจะเราถ้าเราจะพิจารณาก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะเราดีแต่เป็นเพราะความดีที่เราได้ทํา ต่างกันนะเหมือนกับครูบาอาจารย์ได้สอนว่าเนี่ยเวลาพระมีผู้มากราบไหว้พระเนี่ยก็ให้พระนี้ได้ตระหนักว่าไม่ใช่เขากราบไหว้ไม่ใช่เพราะเรานะแต่เขากราบไหว้เพราะผ้าเหลืองนะหรือเพราะว่าอขอรพในความเป็นสงฆ์ที่เราได้ปฏิบัติ เวลาทำความดีแล้วมีคนยกย่องนะมีลาบสักการะเกิดขึ้นมีรางวัลขึ้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเผลอไปคิดว่าเออเป็นเพราะเราเป็นเพราะเรานะหรือเป็นเพราะกูมันเกิดตัวกูขึ้นมาว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ คนอื่นเขาเอาราบสักการะมาให้หรือว่าสร้างชื่อสร้างเสียงให้แต่คำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนให้ตระหนักว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทํต่างหากความดีที่ได้ทำนั่นแหละเรียกว่าธรรมะมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทําจึงมีราบสักการะเกิดขึ้น จึงมีความชื่นชมชื่นชมสารเสรินเกิดขึ้นต้องแยกให้ดีนะเพราะถ้ายไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดความหลงตัวว่าเป็นเพาะเราเป็นพ่อเราสุดท้ายก็ลืมตนหลงตัวลืมตนเนี่ยมันมันคู่กันเลยและพอหลงตัวลืมตนแล้วนะต่อมาคนเขาไม่ชมเรา คนเขาไม่เอาลาบสักกาละมาให้ไม่เอ า, เอารางวัลมาให้กับเรานะก็จะทุกข์เลยนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มักจะพูดว่าทำไมฉันนะทำดีแล้วไม่ได้ดีก็คือเป็นนึกว่าเนี่ยความดีจะต้องเกิดขึ้นกับฉันความชื่อเสียง รางวัลจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่ถ้าเราไม่ไม่ถือว่าเนี่ยเป็นเพราะเราเแต่เป็นเพราะความดีที่ได้ทำมันก็จะมีความหลงตัวลืมตนน้อยลงพูดง่ายคือว่ายกสิ่งที่ยกผลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นผลของความดีไป ไม่ใช่เป็นเพราะเราหรือถ้าคนอื่นจะทาเช่นนั้นคือสักการบูชาเราเพราะเห็นว่าเราดีเพราะคิดว่าเราดีก็ เ, เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่เราเราจะเราพึงตระหนักว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นราบสักการะชื่อเสียง <c oughs> มันเป็นเพราะทาธรรมะหรือความดีที่ได้ทำ ไม่ใช่เพราะตัวเราถ้ามองมาที่ตัวเรานะมันก็จะกลายเป็นอัตตาทิไตัยไปอัตตาธิไตยนี้ไม่ใช่การปกครองนะมันหมายถึงการที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสิ่งที่ตรงข้างกับอัตตาทิไตยคือธรรมาทิไตยก็คือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่ มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเพราะธรรมะไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรายกประโยชน์ให้ธรรมะไปยกประโยชน์ให้กับความดีที่ได้ทำไม่ใช่เราไปอ้างประโยชน์หรือผลประโยชน์นั้นมาเป็นของเราแต่ถ้าใครเขจะคิดว่าเป็นเพราะเราดีหรือเป็นเพราะตัวเราก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ที่ว่า น, นันท์ได้อ้างถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งก็สําคัญมากนะว่าก็ผลแห่งความดีนั่นเนี่ยนะมันย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วลหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นผลแห่งความดีนี่สามารถเป็นพิษได้นะสามารถจะเป็นโทษได้สักการะชื่อเสียงนี่ ถ้าไปยึดติดก็เตรียมตัวทุก์ได้เลยนะเพราะว่าพอไปยึดติดแล้วเนี่ยก็จะโหยหาหรือว่าต้องคิดว่ามันต้องเป็นของฉันแต่พอไม่ได้มาหรือว่าพอเขาไม่ยกย่องเรานะไม่พูดถึงเราอีกนะไม่เอาราบสักการะมาให้ ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เหมือนกับคนที่เคยชมเราเราก็ปลื้มเราก็ยินดีแล้ววันหนึ่งเขาก็ชมเราน้อยลงจนกระทั่งไม่พูดไม่ชมเลยเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะทุกข์เลยนะว่าเอ้ยเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอย่างตาๆก็เกิดความ กังวลขึ้นมาที่จริงเขาก็อาจจะ ย, ยังนับถือหรื อ, อยังชื่นชมเราอยู่นะแต่ว่าพอคุ้นเคยกันไปนานๆนะเขาก็ชมเราน้อยลงเป็นธรรมดานะในใจเขาอาจจะชมแต่เขาไม่ได้พูดนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาไปแล้วนะแต่ตัวเราต้องหาเพอเรายึดติดนะในรามในสักการะนะเราก็เลยเป็นทุกข์ หรือว่าชมเราน้อยลงนะเอาสักการะมาให้กับเราน้อยลงนะก็เป็นทุกข์เลยอันนี้ก็รวมไปถึงทรัพย์สมบัติด้วยนะทำงานแล้วประสบความสำเร็จได้กำไรเยอะก็ยินดีในกำไรนั้นนะแล้ววันหนึ่งปรากฏว่ากำไรมันน้อยลงเป็นทุกข์เลยนะ มีเพื่อนคนหนึก็ทําเป็นจิตอาสาโทรศัพท์สายด่วนมันมีโทรศัพท์สายด่วนสําหรับคนที่ประสบความทุกข์ก็วันนึ่งเขาก็ได้ได้รับโทรศัพท์คนที่โทรมาเนี่ยก็ฟังดูก็รู้เลยว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ เ, เขาเป็นทุกข์มากก็ถามไปถามไปว่าทุกข์เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าเนี่ยทุกข์เพราะว่าปีนี้เนี่ย ทำท่าว่ากําไรที่ได้จะน้อยลงเป็นยังไงหรือกําไรน้อยลงเนี่ยพอกเนี่ยกําไรมันจะน้อยลงคือได้กําไรแค่ห้าพันล้านแต่ก่อนเนี่ยได้กําไรเป็นหมื่นล้านนแต่พอได้กําไรแค่ห้าพันล้านนี่เคลียร์เลยนะกลุ้มใจสายด่วนนี้เขาจะส่วนใหญ่เขาจะรับรับสายจากคนที่ อย่าได้คิดค่าตัวตายหรือกุมใจจนเป็นวิกฤตมากนันกธุรกิคนนี้กุมใจเพราะาได้กำไรแค่5 0 0พันล้านนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้นะแต่เขาเป็นทุกข์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยกาไรเป็นหมื่นล้านอันนี้ก็เป็นเป็นทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดนะในในผลแห่งความ ด, ดีหรือในผลแห่งความเพียรที่ได้ทำ สักการะชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สมบัตนะิเงินทองที่ได้รับนะจากน้ำพักน้ำแรงของเราแม้จะเป็นนับพักน้ำแรงที่ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำถ้าเราไปยึดติดมันเมื่อไหร่นะก็เป็นอันตรายเมื่อ น, นั้นท่านใช้คาว่ายาพิษเลยนะสิ่งดีๆที่ทุกคนปรารถนาลาบสักการะ ชื่อเสียงทรัพย์สมบัติวุ่นคือความสุขทางโลกเนี่ยมันย่อมเป็นพิษได้เสมอถ้าไปยึดติดถือมั่นกับมันถ้าที่ยึดติด ก, ก็เพราะไม่พิจรารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างคนมักจะมองเห็นว่าเออลาภสักการะชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเงินทองนี่เป็นของดีคือมองไม่เห็นโทษของมันว่า ถ้าไปยึดติดถือมั่นมันเมื่อไหร่นะมันก็กลายเป็นของร้อนขึ้นมาทันทีเพราะนั้นเวลาพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยนะท่านไม่ได้ให้สอนให้ปล่อยวางเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเช่นความโศกความเกลียดแค้นนะความเศร้าความเสียใจหรือแม้กระทั่งคำดา่าคำตาหนิติดเตียนนะก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เท่ั้ที่ควรจะวางนะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็น ฝ่ายดีทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวกนะก็คือว่าได้ลาบได้ยศได้รับความสุขหรือว่าความสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันนะอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเริ่มตั้งแต่มองว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะผลแห่งความเพียรนะที่ได้ทำหรือเป็นเพราะธรรมะ อย่าไปมาว่าเป็นของเราเน้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการที่จะเป็นทุกข์เพราะความเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าสารเสวนินทาเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีคนเขาพูดไว้ดีนะเขาบอกว่าคำชมเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับหมากฝรั่งนะ คำชมเนี่ยคำสรรเสริมคำหมักฝรั่งเนี่ยเคี้ยวได้นะแต่อยากกลืนต้องคายทิ้งนะเพราะว่าถ้ากลืนไปแล้วเป็นโทษนะมันไปสร้างความป่นปวดให้กับท้องของเราได้อาเป็นคําเปรียบเปรยที่ดีมากนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยก็เปรียบกับเรากลืน ฝากฝรั่งไปแล้วเราต้องรู้จักคายนะก็คือว่าไม่ไม่ยึดติดแต่ให้ปล่อยวางแล้วนะของเร็วเราก็ไม่ยึดนะของดีก็ไม่ยึดเหมือนกันเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเดีย๋ยวแต่สิ่งของนอกตัวลาบสา ก, การะชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติเลยนะแม้กระทั่งร่างกายของเรา มันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยรูปเนี่ยก็หมายถึงร่างกายนีส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรวมๆ ว, ว่านามรูปก็ไม่ใช่ของเรานามก็ไม่ใช่ของเราไปยึดว่ารูปนี่เป็นของเราเมื่อไหร่นี่าเตรียมตัวทุก์ได้เลยนะ เพราะว่าพอมันแปรปวนไปพอไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเนี่ยก็ทุกข์เลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะจะหวังเวทนาที่เป็นสุขก็หวังไม่ได้ถ้าหวังหรือยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เลยเพราะว่าพอความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่พอใจอยากจะผลักใสออกไป แต่ผลักสายด้วยใจเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่หายเพราะว่าเราเหตุปัจจัยยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่เรายัางนั่งอยู่ในท่าเดิมนะหรื อ, อยังอยู่ในที่เดิมก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ทุกข์ที่กายเท่านั้นนะแต่เป็นทุกข์ที่ใจด้วยคนฉลาเนี่ถ้าจะทุกข์เนี่ยก็ทุกข์อย่างเดียวนะคือทุกข์กายนะไม่ทุกข์ใจถ้าจะเสียก็เสียอย่างเดียวนะ ก็คือเสียเงินเสียโทรศัพท์เสียทรัพย์สมบัติแต่ว่าใจไม่เสียคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเสียเงินไปแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยใจให้เสียไปด้วยแล้วพอใจเสียแล้วนะต่อไปสุขภาพก็จะเสียตามมาเพราะว่ากลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งเจ้าจุกสุขภาพก็เสียต่อไปความสัมพันธ์กับคนอื่นก็เสียด้วยเพราะว่า พอเสียใจแล้วเนี่ยมันก็หงุดหงิดนะไม่อยากพูดอยากคุยอักใครใครมาพูดมาคุยก็ลำคาญรู้สึกว่าเขามาเซาซีเผอตัวด่าว่าเขานะเสียความสัมพันธ์ไปอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียหลายอย่างนะเสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งความสัมพันธ์ งานการก็เสียด้วยนะเพราะไม่มีกริกกระใจทำงานเสียเป็นขบวนเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะความยึดติดนะความยึดติดในสิ่งนั้นแม้ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันสามารถจะเป็นฐานร้อนกับเราได้ลาบสักการะชื่อเสียงทรัพย์สมบัตินี่มันพร้อมจะกลายเป็นฐานก้อนแดงๆในความหมายที่ว่า ถ้าไปยึดติดถือมันเมื่อไหร่มันก็จะบีบคั้นใจเราให้เป็นทุกข์ได้ทันทีเมื่อมันแปรปรวนไปดังั้นผู้ฉลาดเนี่ยก็จะไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แม้เขาให้มาก็ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะสมัยหนึ่งนะพวเราคงรู้จักหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตเนี่ยสมณศักดิ์ของท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ เป็นสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เป็นตําแหน่งหรือว่าราชาคณะที่สําคัญรองลงมาจากพระสังฆราชสมเด็จโตนี้พวกเราได้ยินชื่อในฐานะที่ท่านมี อ, อิทธิฤทธิปฏิหารพระสมเด็จเนี่ยมีชื่อมากก็พเพราะชื่อว่าท่านมีฤทิ์มีปฏิหาร ส่วนใหญ่ก็นึกถึงท่านไปในแง่นั้นแต่ที่จริงท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีคราวหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไปฉันไปงานบุญที่แถวราชบูรณะนะท่านอยู่วัดละคังราชบุรณะนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นสวนเป็นป่านะถ้าจะเข้าไปนี่ก็ต้องเข้าไปทางคลองซึ่งเป็นคลองเล็กๆวัด น, นั้นท่านก็ไปกับสิทธวัด นั่งเรือไปเรือเล็กๆก็เรียกเรือสําปั้นเรือพายนะประกอช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําลงพอน้ําลงเนี่ยเหลือไปก็ไม่ถึงเกยติดเกยตื้นนะลูกศิษย์ก็ลงไปเข็นเข็นเรือแต่ว่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่หลวงพ่อท่า น, นก็เลยลงไปเข็นด้วยชาวบ้านบนฝั่งเนี่ย นะเห็นหลวงพ่อโตเขารู้จักเขาจําท่านได้ก็ตะโกนเรียกกันว่านี่ยตะโกนบอกกันว่าสมเด็จเข็นเรือวอยสมเด็จเข็นเรือวอยคือไม่เห็นคือเห็นเป็นเรื่องแปลกนะนานๆจะเห็นพระระดับพระร า, าชาคณะระดับพระสมเด็จนี่มาเข็นเรือสมเด็จเข็นเรือวอยนะพูดตะโกนกันหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็เงยหน้าขึ้นไปพูดกับ คนนั้นว่าฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ่ะนะฉันชื่อครัวโตจ่ะสมเด็จอยู่บนเรือแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศนะเพราะว่าไปงานนี้ต้องเอาพัดยศไปด้วยชี้ไปที่พัดยศนะคือท่านได้รับสมรสภาว่าเป็นสมเด็จก็จริงนะแต่ว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าท่านคือสมเด็จท่านก็ยังสําคัญมันยังสําคัญตัวว่าเป็นแค่ครัวต๊ะ ขัวตานะชื่อ ข, วขวัวนะขัวโตรัวนี่มันเป็นคำโบราณ น, นะเดี๋ยวนี้ก็เราก็เรียกว่าหลวงพ่อนะแต่สมัยก่อนเขาใช ว, ว่าครัวขัวตาทนะ่านบอกท่านเนี่ยฉันชื่อขวัวโตจ้ะโตนี่ก็คือชื่อเดิมของท่านคือท่านได้รับสมณศักด์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถึงมาวว่าเป็นเป็นเป็นของท่านหรือเป็นตัวท่านนะ ถ้าใครพูดถึงสมเด็จท่าก็ชี้ไปที่พัทย์ยศนะนั่นแหละสมเด็จอันนี้ก็เป็นเป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะที่รู้ว่าราบศักการะนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่อยากจะลงเรือเลยนะเอ๊ฉันเป็นสมเด็จนี่ฉันจะลงเรือไปเข็นเรือได้ยังไง ก็จะต้องปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยพูดจากับตนเพราะเพะด้วยศัพท์ด้วยคำราชาศัพท์หรือว่าจ ะ, จะใจเขาโนบนอกนะจักรกะละก็เรียกว่าจะกลายเป็นเทวดาไปเลยและถ้าเกิดเขาไม่ทำนก็จะเกิดความไม่พอใจอย่าว่าแต่สมเด็จเลยนะแม้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยใครเรียกใครเรียก ตนเองว่าเป็นอาจารย์เ okay? ป well, ็นอาจารย์นี่ก็หลงไหลได้ปลื้มพอคนอื่นไม่เรียกว่าตัวเองเป็นอาจารย์อาจจะเรียกว่าหลวงพี่นะหรือเรียกว่าท่านเนี่ยแต่ไม่เรียกว่าอาจารย์เนี่ยโกรธเลยนะหรือไม่พอใจทําไมไม่เรียกว่าเราว่าเป็นอาจารย์บางท่านนี่ถึงกับเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์อาจารย์โน้นอาจารย์นี่คือเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าปรารถนาจะให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ด้วย ถ้าเขาไม่เรียกก็เรียกตัวเองซะเลยว่าฉันคืออาจารย์อันนี้ก็เป็นเพราะว่าความยึดติดนะในผลแห่งความดีความยึดติดในศักการะและชื่อเสียงนะบางทีมันก็ไปยึดในเรื่องที่ละเอียดนะต้องระวังอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอย่าว่าแต่ลาบศักราระชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทองเลยนะ แม้กระทั่งร่างกายนี้เนี่ยซึ่งมันอยู่กับเรามาเราก็ง่ายที่จะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอเห็นพอมองกระจกเนี่ยก็เห็นตัวเองก็จะไปยึดว่านเนี่ยนี่คือเราไอ้ร่างกายนี่คือเราแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดมีปัญญาก็จะรู้ว่า นี่มันเป็นศักตะว่ารูปมันเป็นสักตะวะร่างกายนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ตัวเราจะเป็นของเราเราก็บัญชาการได้สั่งได้อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าร่างกายนี้เป็นของเราถ้ารูปนี้เป็นของเราก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เจ็บไม่ป่วยจะต้องเป็นไปตามใจหวังแต่รูปนี้ร่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง เช่นเดียวกับจิตใจเหมือนกันนะแต่พอเราไม่มีปัญญานะก็จะไปยึดว่าเนี่ยนี่เป็นตัวเราของเราและพอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาก็จะทุกข์เลยเพราะรู้สึกว่าเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์อันนี้ยังเป็นความสำคัญมั่นหมายที่ผิดนะซึ่งเป็นที่หมายาความทุกข์เอาผู้่มีปัญญานี่ท่านก็จะรู้เลยว่าเนี่ย ไอ้รูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นศัพท์แต่ว่ารูปและพอมันเกิดอะไรขึ้นกับกายนี้รูปนี้เนี่ยก็จะไม่ทุกข์มันก็ทุกข์แต่กา ย, ยแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นพร ะ, ะที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีอายุยืนด้วยตอนที่ท่านมารรดกภาพนี้ก็อายุ ป, ประมาณร้อยเอ็ดปี ท่านมรณาภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วมีคราวที่ท่านไปผ่าตัดนิ้ว น, ะนิ้วในไตผ่าตัดนิ้วสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีมากพอผ่าตัดเสร็จท่านก็ซบพัทกท่านก็บอกหมอกัเพราบาลว่าเขอยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอกับพราบาลก็แปลกใจว่าหลวงพ่อไม่เจ็บเลยเพราะเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ ท่านก็บอกว่าเจ็บสี่นะร่างกายของฉันเนี่ยนะมันก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยนะคือท่านไม่ได้มองว่าเนี่ยเวลาเวลามีความเจ็บเกิดขึ้นท่านไม่ได้มีความสําคัญมากหมายว่าฉันเจ็บแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกายนะมันแยกกันนะกายกับใจนี่มันแยกกันกายเจ็บใจก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเจ็บไปด้วย แต่ถ้าเกิดสาคัญมั่หมายว่าเป็นฉันเมื่อไหรนะเป็นตัวฉันเมื่อไหร่เนี่ยพอความปวดเกิดขึ้นก็ก็จะรู้สึกเลยว่าฉันปวดฉันเจ็บแต่ความรู้สึกว่าฉันปวดฉันเจ็บนี่ไม่มีแก่ท่านเพราะท่านเห็นว่าที่เจ็บนั้นมันเป็นรูปที่เจ็บนะไม่ใช่ฉันเจ็บมันต่างกันนะรูปเจ็บกายเจ็บเนี่ยกับฉันเจ็บนี่มันต่างกันคนที่มีปัญญาไม่สําคัญมั่หมายว่านั่นเป็นฉันเป็นกูเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่ฉันเจ็บอีกคราวหนึงท่าไปรับนิมนต์ให้ไปฉันในบ้านโยมก็ไปกับพระหลายรูปทีเดียวบอกว่าอาหารเป็นพิษนะก็ทั้งคณะเลยนะพระทั้งคณะเลยก็อาเจียนนะท้องไส้ปั่นป่วนพระส่วนใหญ่เนะี่ยซึ่งเป็นพระหนุ่มนะอาเจียนจนหมดแรงนอน นอนหมดแรงแต่หลวงปู่บุดาซึ่งอายุมากที่สุดนะแปสิบแล้วมั้งหรือเก้าสิบท่านก็อัดเจียนเหมือนกันแต่อัดเจียนเสร็จท่านก็ามานั่งคุยกับโยมต่อคุยกับโยมเจ้าของบ้านพูดให้กำลังใจโยมยโยมมีเสียขวัญ น, นะทำให้พระนี่มาล้มป่วยแล้วคนก็แปลกใจทำไมหลวงปู่นี่นะสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะพระลูกที่เหลือเนี่ย นอนหมดแรงกันหมดองค์ปู่ท่านก็กบรรยายว่าเนี่ยร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเวลาเจอยาเบื่อยาเมามก็เป็นอย่างนี้แหละก็คืออาจเจียนแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยคือไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยนะมันก็เลยไม่มีอาการอย่างกายก็คือไม่ทุกนะทุกแต่กายใจไม่ทุกก็เลยสามารถจะนั่งคุยกับโยนได้ แต่ว่าคนที่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญญามองเห็นว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปไม่ใช่เป็นเรื่องมันไม่ได้มอมันเป็นเรื่องของกายแต่ไปรู้สึกว่าเนี่ยฉันโดนยาเบื่อยาเมาฉันปวดฉันฉันทุกข์มันมีตัวฉันเป็นผู้ทุกข์ตลอดเวลาแทนที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นรูปมันเป็นร่างกายนะที่อ่าที่เจ็บป่วย อันนี้จะเรียกว่าท่านมองเห็น ly, ความจริงก็ได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีตัวฉันมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจอะไรที <S <S <S ่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับรูปกับนามหรือไม่ก็เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวฉันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นการมองเห็นความจริงจนปล่อยวางความยึดมั่นในในตัวฉันของฉันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดอะไรกับร่างกายนะ ก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ถูกตามไปด้วยถ้านะพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาอย่างเดียวนะจะ ต, ต้องเกิดจากการปฏิบัติ ด, ด้วยการเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นเป็นประตูเป็นช่องทางที่ทําให้เราได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกับนามนะเวลาเราเดินถ้ามีสติก็จะเห็นรู้ก็จะเห็นว่า มันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่เราเดินหรือไม่ใช่กูกูเดินเวลานั่งก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่นั่งไม่ใช่กูนั่งเวลาโกรธก็จะรู้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่กูโกรธหรือฉันโกรธนะแต่ว่ามันเป็นใจที่โกรธหรือเห็นว่าความโกรธเกิดที่ใจเวลามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นความเศร้าเสียใจความเบื่อเกิดขึ้นก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ ฉันเศร้าเสียใจฉันโกรธฉันทุกข์แต่มันเป็นความเศร้าเสียใจความโกรธหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจมันจะไม่มีตัวตนหรือตัวกูเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอันนี้เรียกเพราะว่าปล่อยวางหรือละวางความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละคือสาระสำคัญนะที่พระนันทยะได้พูดกับพร ะ, พระองคุลีมารโดยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นไปกับพวกเราด้วยถ้า น, นำไปปฏิบัติอช้า์ที่ก็พูดกันท่านนี้นะครับฮะ